อเดี๋ยวเราจะทำวัดสวดมนต์กันที่จริงได้ตั้งใจไว้ว่าเมื่อวานนี้มาถึงก็กะว่าจะมาฟังทำข้อมูลเกี่ยวเรื่องการที่จะ รู้ข้อมูลโดยรวมในการเสด็จพุทธดำเนินของพระบรมศ า, ศาสดาจากภรรษาสุดท้ายที่บ้านเวรุวะคามที่พระบรมศาสดาทรงจับพรรษาที่เวสาลีนะที่แรกก็ตั้งใจจะมากล่าวข้อมูลกันว่ามาถึงน่าจะไม่เกินหนึ่งทุ่มแต่ก็ การเดินทางก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดพอมาถึงก็ผลปรากฏว่าสองทุ่มเกือบจะครึ่งเล ย, เยแล้วพวกเราก็พิเพรกันแต่บางท่านก็หลับมาบนรถก็คงไม่เพรียเท่าไหร่นะก็ตรงนี้ก็ให้นึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายรอนแหลมเดินทางกันมา อย่าไปคิดในเรื่องการเหน็ดเหนื่อยเลยให้คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะสังเวคาญาณนะญาณปัญญาที่เกิดร่วมกันกับวิริยะคือความเพียรอย่างแรงกล้าแล้วก็เกิดปัญญาในอันที่จะเห็นความสะดุ้งสะเทือนหวันไหวต่อการที่จะมาเฝ้าสถานที่ ทิ้งขันธภาละให้กับพยามารของพระบรมศาสดาณนกะุสินาราแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าพระบรมธาตุของพระบรมศาสดาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายเขามีการ เฉลิมฉลองผ่านไปกันมาแล้วเขามีการบูชาที่ยิ่งใหญ่จากคนไทยเราที่ส่งเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยมาสักการะมาบูชาเขาทำทั้งฉัดดอกไม้บูชาแล้วก็มีการประโคมดนตรีมีการขับร้องเนี่ยมีการฉลลองกันอยู่สามวันเนี่ยที่ตรงเนี้ย เขาปาักทงทิวเป็นแถวบริเวณนี้ล้อมหมดเลยแล้วก็มีการลำถวายเป็นพุทธบูชามีการแห่ดอกไม้แห่ฉัดดอกไม้จากบริเวณนี้ไปที่ปรินิพานสถูกพอวันที่สิบแปดเขาก็จะแห่จากบริเวณนี้ไปที่เผาบรมศพบรมาสตาสา แล้วก็มีการปังทมกันตอนกลางคืนที่บริเวณที่ทำวัดสวดมนต์เขาเรียกพรัพลาเลยตรงนั้นั่นตรงนั้นแหละฉะนั้นเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันคำว่าเฉลิมฉลองในที่นั้นเน่แท้ที่จริงก็คือว่ามีการบูชาตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธทบริณิพานนั้นเนี่ยเขาก็มีการบูชากัน แต่บูชาลักษณะไหนบูชาในลักษณะที่ว่ามีการขับร้องขับกล่อมเกี่ยวในเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความที่ว่าพระบรมศ า, าสดาเนะด่วนปรินิพานเร็วนะักพระตถาคตเจ้าด่วนปรินิพานเร็วนะักเป็นต้นเหล่านี้เพื่อให้เกิดสังเวคญาณานนะ ให้เกิดยานปัญญาที่เกิดความสะดุ้งสะเทือนว่าแม้แต่กระแสขันของพระบรมศาสดาซึ่งมีกระแสขันของพระบรมศาสดาซึ่งเกิดขึ้นจากกุศลกรรมที่หนานแน่นเกิดจากกุศลกรรมที่แข็งแรงมาจากทานบารมีศีลเนคขมารัญญาวิริยขันติสาัจจาะทิฏฐานเมตตาเวรขาเนี่ย มาจากอุปปารมีสิบระมั 10, ะธะบามีสิบตั้งยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับกรรมเหล่านั้นที่ทำมาอย่างหนาแน่นอย่างยาวนานถ้าถามว่าพระพรมศ า, าสดา์นั้นเน่อุตสาหะเพียรพยายามในการประกอบบาเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมีพระทานบารมีเป็นต้นนะเพื่อใครเมื่อวานนี้ปังท่าน ท่านมหาอุณาท่านพูดว่าบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อใครให้สังเกตดูไหมไม่ใช่เพื่อพระองค์นะถ้าหลังจากสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนหมากับยิ่งชัดใหญ่ไม่ใช่เพื่อตอนเองเลยแม้แต่น้อยพระองค์สละอาราตมักสละอาราตผล สละมรรคผลเนี่ยที่ตนเองพึงจะได้เป็นพาระอรหันต์แตกฉันในปฏิสัมพิทาญาณทั้งสี่คืออัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิโรติปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทาอภิน ญ, ญาหกมีที่ประจกักษ์อภิญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยจนถึงอาสวะขยายญาณเนี่ยที่ตนเองสามารถบรรลุได้ น้อมสละทิ้งเลยไม่เอาทำไมจึงไม่เอาท่านมีอัธยาศัยว่าคนเช่นเราเนี่ยถ้าจะตัทรู้ก็ปรารถนาที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตด้วยแล้วเมื่อเราได้บรรลุ เรกุตระธรมแล้วก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นบรรลุด้วยเราข้ามได้แล้วจะปรารถนาปรารถนาบุคคลอื่นให้ข้ามด้วยเป็นต้นเหล่นี้นั่นเพื่อพวกเราทุกคนนี่คือพระศ า, าสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทวดาและมนุษย์นะของจักรวาลทั้งสิ้นเลยซ้ำไปฉะนั้นเมื่อเรามีพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เราไปมัวเห็นแก่ตนเองเห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยไม่ได้จริงๆเราควรที่จะมาตั้งมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงกันได้แล้วโยมมองไปที่ตรงหน้าที่เขาประดับเพชรตรามามีโอกาสคุยกับโยมที่ เป็นผู้มาประดับทั้งหลายท่านให้ช่างเก็บเพชรประจำตระกูลทั้งหมดเนี่ยตกแต่งอยู่สามเดือนประดับมมลค่าอนี้ไม่ต้องพูดถึงทำไมทาไมเขากล้ากล้าทำอันนี้เอาคนยุคนี้เนี่ย แล้วกรณีที่เคยถามโยมที่เขามานั่งออกแบบแล้วก็คิดทำสถูปเหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้าแบบเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันคิดแบบด้วยในนี้คิดแบบน เ, นแบบเราก็จะเห็นว่าอันนั้นคือ ศรัทธาของบุคคลที่เขาเขามีเนี่ยแต่ข้อมูลจะอย่างไรอันนั้นเราไม่ว่ากันนะแต่ประเด็นที่ใจที่น้อมศรัทธาและมีความรักในพระบรมศาสดาก้าสละวัตถุภายนอกซึ่งเป็นของรักมากก็เรียกปิยะทานังให้ของที่รักให้ของที่รักแก่บุคคลที่เขารักมาก พระเจ้าโศกถ้าเราย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสร้างวิหารแปด0มื่นสี่พันเจดีแปดหมื่นสี่พันถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าโศกเนี่ยมีความรักมีความอะไรในพระบรมศาสดามากม่อเกิดมาสุดท้ายปายหลังในยุคสามร้อยกว่าปีท่านเป็นนั่งที่ต้นพระศีมหาโพธิ ก็มีรักในต้นพระรีมหาโพมากมาที่ปรินิพานสัุตรงนี้ท่านก็ทำสั ญ, ญลักษณ์เอาไว้ขนาดว่าอันเชิญกิ่งพระสีมหาโพนี่นะจกไปที่ลังกาทวีปนะไปที่ีิลังกานะท่านเดินประนมมือ มีการเพื่อจะไปส่งท่านเดินลงทะเลยอมเดินเดินเดินขนาดเรือล่องไปแล้วนี่นะเอากิ่งพระศีมหาโพธไปแล้วท่านร้องไห้อะร้องไห้ว่าพระศ า, าสดาเหมือนสเสมือนพระจ่าศาสดาจา่าเลยท่านก็เดินเดินลงไปจนแค่พระสอยกมือทูลศีรษะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์มาส่ง พระพูธมีพระภาคเจ้าได้แค่นี้ทำไมทำไมท่านท่านถึงมีความรักในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นว่าท่านมีข้อมูลท่านมีข้อมูลย้อนกลับไปเราไปที่ราชคลึพระเจ้าพิมพิพสารมหาราชท่านมคตซึ่งมีประชากรในตัวเมือง เก้าสิบล้านั้งนอกอีกเก้าสิบล้านประชาชนบรรลุ ก, กันนับไม่ได้ตอนนั้นที่ควานวัชีเกิ ด, เ ก, ดเกิดภัยเกิดภัยเกี่ยวในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายด้วยแล้วก็ภัยจากอมนุษย์ด้วยแล้วก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยประชาชนอดอยากด้วย ก็ส่งเครื่องบรรณาการมาที่พระเจ้าพิมพ์ พ, มพิสารเพื่อจะมาราชาพระบรมศาสดาก็ต้องมาขออนุญาตพระเจ้าเพนดินพระเจ้าเพนดินก็บอกในเบกขาบทูลพระศาสดาก็ไปนิมนต์พระศาสดาพระศาสดารับพอ ร, รับเบกเสร็จพระเจ้าพิมพ์พิสารสร้าง สร้างวัดในทุกๆโยตทุกๆสิบห ก, กยิโรเมตรพระศ า, าสดาสเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ระหว่างทางก็พักสร้างวัดถวายและปโปรยดอกไม้สร้างมีความรักในพระศ า, าสดามากม่มากอันนั้นคือพระภรรยะด้วยนะไม่ใช่บุตุชนรักเดินไปตามลำดับแล้วก็ไปทำเรือกั้นฉัด ถวายเยาว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมเขาเข้ามาบูชาพระาศาสดาตอนนั้นก็เหมือนกันพอไปส่งพระบรมศาสดาตอนนั้นพระบรมศาสดายัางทรงไว้ชนอยู่เนะพระเจ้าพิมพิสารก็เดินไม่อยากจากพระาศาสดาเดินลงน้ำแม่น้ำวงค์กเดินลุยน้ำไปส่งพระาศาสดา จับเกาะเรือที่พระศ า, าสดาทรงประทับนั่งแล้วก็เดินตามเรือไปจนแค่พระสอตะโกนกราบพระผู้มีภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระบรมศาสดาไปโปรดในแผนวัชชีอุบาสกบาลิกาในนัน้นเสร็จแล้วข้าพระองค์ขอการาบอาณาตนานิมนต์ข้าพระองค์ก็จักรอพระบรมศาสดานะ ที่ฝั่งนี้แหละจนกว่าพระบรมศาสดาจักเสด็จกลับเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไร น, นั่นคือความรักคือความฉัตรศรัทธ า, า, าคือความเชื่อมั่นในตถาคตาโทีิศรัทธาทำไมลงทุนกันอย่างนั้นมายุคของการที่พระบรมศาสดาไปโปรด ในชาวัถีในแคว้นวัถีแคว้นสาวัถีที่ไปแสดงยมกับปฏิหารที่แดนยมโกเดินทางอย่างนี้ไปก็ประมาณสี่ร้อยกิโลนตอนนั้นเน่ยก็มีการประชาชนก็ตามไปเพื่อต้องการไปฟังเทศนาที่มีความสุขุมลุ่มลึกทั้งอิทธิปฏิหารมีแสดงฤทธิ์ด้วย อย่างหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกสองอาเทศนาปฏิหารในขณะเดียวกันพระาศาสดากำหนดรู้ใจของสัตว์ทั้งหลายที่ไปหนบริเวณนั้นทั้งหมดด้วยสามก็คืออนุสาสนีปฏิหารก็คือพระธรรมที่มีความอัศจรรย์ในการแสดงวันนั้นด้วยซรราตปาถนาที่จะได้สัมผัสความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ในทางอิทธิปฏิหาราเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารที่มีความสลับกันอย่างอัศจรรย์มากนเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยบริเวณยี่สิบกว่ายศจนถึงเกือบจะสามสิบยพระบรมศาสด า, สดาสแสดงเนี่ยจัดได้บรรลกุกันสองร้อยล้านเนี่ยในแดนยมกนะแสดงยมุกับป ฏ, ปฏิหารเป็นต้น แล้วก็เสด็จจำภาษาที่เดาดึงในภาษาที่เจ็ดโปรเถอพุทธมารดาพร้อมด้วยเทวดาและพรหมไปแสดงบ น, นโน้นสัตว์บรรลุหาประมาณไม่ได้ประชาชนไม่ยอมกลับคอยเฝ้าภาษาสดาอยู่ปักหลักกันที่สาวถีเนืองแน่นเลยจนต่อมาพระโมคคัลลานะขึ้นไปกราบทูล หลังจากครบสามเดือนแล้วเนี่ยนะว่าพระบระมศ า, าศาสดาจะเสด็จลงณที่ไหนพระาศาสดาถามบอกว่าพี่ชายของเธอจำภรษาณนที่ไหนหมายถึงภาษารีบุตรคือในบรรดาบริษัททั้ง ส, าา ส, าาสี่ภาษารีบุตรนี่จัดว่าเป็นพี่คนโตเป็นปรินายกแก้วในทางธรรมเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นลูกของพระาศาสดาเนี่ย เขาเรียกเป็นราชกุมารเป็นราชกุมารีราารของพระศ า, าสดาแต่เป็นลูกคนรองรองรององรองรอง ล, อ ง, ล, อ ง, ลองมาทั้งหมดซึ่งมีภาษาริบุตรเป็นพี่คนโตเป็นปรินายกแก้วในทางพระธรรมนี้ถ้าคิดอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาเป็นจักพรพรรดิทางธรรม เป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของพระธรรมทั้งหมดเป็นเจ้าของอริยทรัพย์ทั้งหมดเป็นเจ้าของโลกียธรรมและโล ก, กุตตรธรรมอามิสบูชาทั้งหลายที่เราเห็นวัดวารามทั้งหมดนี่นะทุกวัดในโลกพื้นแผ่นดินทั้งหมดของหอมดอกไม้ภาพผ่อน แผ่พันทั้งหลายที่มองเห็นทั้งหมดเหล่าเนี้ยเขาสร้างถวายเป็นพุทธบูชานะรวดลายเอ่ยประดับเอ่ยต่างๆเหล่าเนี้ยที่บรรจงการทำกันมาแล้วแล้วเาเเนี่ยเขาทําทําอะไรก็ทําถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นอามิสบูชาแต่ถ้าอามิสบูชาเนี่ยเชื่อมโยงเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาของท่านเหล่านั้นได้ยิ่งประเสริฐ ยิ่งเลิศยิ่งสูงสุดแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามองอย่างเนี้ยชื่อว่าท่านเหล่านั้นได้บูชาพระศาสดาแล้วได้บูชาพระศาสดาแล้วกุศล จ, จิตของท่านเหล่านั้นที่เกิดขึ้นศรัทธาที่ตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจากการสักการะจากการบูชาทั้งหลายเราท่านทั้งหลายต้อง นอบน้อมกุศลธรรมเจตนาการรมของท่านเหล่านั้นด้วยว่าท่านได้ประกอบกุศลปฏิสถานไว้ดีแล้วในพระศาสนาของพระชินเจ้าย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราทำอะไรบ้างที่จะพอเป็นเครื่องปลื้มใจเอาไว้ไประลึกตอนที่นอนบนเตียงใกล้ตายอ่ะ ตอนที่จะไปตะระลึกบนเตียงใกล้าตายว่าเราจะได้มีเครื่องระลึกมั่นว่าเราได้ถวายพระบรมศาสดาทั้งอามิสบูชาเชื่อมโยงสู่ธรรมบูชาได้แล้วเรามาในแดนปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเรามาด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ มุ่งมั่นในการเดินตามรอยบาทะษาสดาเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นในการจะเดินตามรอยบาด菩าสดาตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะคือความเพียรในการยกระดับกุศลให้ต่อเนื่องไม่ให้บาปอกุศลมาแทรกใจในขณะที่นั่งอยู่ต่อหน้า菩าสดาสติคือการระลึกระลึกมั่นเวลาเรานั่งหลับตา ถ้ารู้ว่าบาปมันจะเกิดให้ลืมตามองมองพระศาสดาตรงหน้าตอนนั่งรถมาพระท่านพูดถึงภิกษุที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนทันในสรวรรค์ชั้นจาตุมชั้นต่ำๆเนี่ยแล้วก็มัวแต่ไปร้องลำมทำเพลงอันนั้นเน่ยถามว่า แล้วต่อมามีอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นคนอุปถากพระพอตายไปแล้วเธอรังเกียจในเพศของสตรีเธอปรารถนาเป็นเพศบุรุษแล้วเธอก็เลยไปเกิดเป็นโคปิกาเทพบุตรนไปเกิดเป็นลูกของเท้าส ก, กัดแล้วต่อมาเธอก็ได้บรรลุนั่นแหละทีนี้ก็เลยมานึกถึงว่าเธอได้สถานะนี้เพราะอะไรเป็นต้น แล้วก็รู้ได้ทันทีว่าที่ได้สถานะนี้มาก็เพราะว่าได้อุปถากวาเทละทั้งสามรูปซึ่งมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามนี่นะได้ฟังคําสอนและต่อมาก็เลยกําหนดว่าแล้วพระคุณเจ้าที่ตนเองนับถือไปอยู่หน้าที่ไหนก็รู้ได้ด้วยบุญของเทวดานั้นก็รู้ทันทีว่าพระสามรูปนั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนทันอยู่ในสวรรค์ชั้นต่ํามัวหลงละเลง ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใกล้าตายท่านกำหนดใจน้อมไปในสิ่งเหล่านั้นก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นคนทันเธอก็รู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยลงมาก็มาตำหนิ บ, บอกว่าท่านทั้งหลายท่านเนี่ยเป็นภิกษุเข้าอยู่ในาศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐแล้วแต่ทำไมท่านได้ฐานะที่ต่าต้อยถึงเพียงนี้ ตอนที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมตอนที่ท่านไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นต้นเป็นระยะระยะนั่นท่านเอาหน้าไปไว้ไหนเทวดาพูดอย่างนี้นะท่านเอาหน้าไปไว้ ไ, ไหนคาพูดเนี่ยเตือนภิกษุเตือนภิกษุณีเตือนอุบาสกเบิ่อเตือนอุบาสิกานะเตือนพุทธบริษัทของพระาศาสดาว่าเวลาเราไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดา นั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาเนี่ยเราเอาหน้าไปไว้ไหนคำว่าเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยแปลว่าทำไมเห็นหน้าไปทางอื่นทำไมไม่มองพระาศาสดาและคำว่าเอาหน้าไปไว้ไหนอีกคำหนึ่งแปลว่าทำไมส่งใจไปทางอื่นทำไมถึงส่งใจไปทางอื่นทำไมไม่คิดไม่นอบน้อมพระาศาสดา ทำไมปล่อยให้บาปเกิดขึ้นในใจถ้าเราหลับตานี่นะคิดถึงพระศ า, าสดาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งใจเข้าหาพระศาสดาแต่ถ้าหลับตาแล้วปล่อยให้บาปคือราคะโทสะโมหะมันกินใจให้ทีนมิท้ามันครอบงำอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านเอาหน้าไปไว้ไหนทําไมท่านไม่คิด ทำไมไม่มีพุทธคลาวตาตะหนักในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้ทำไมไม่ตระหนักถึงคุณของพระศาสนาที่พรสาสดากลั่นมาจากหัทไทยที่มีสัพพัญยุตยานนั่นน่ยเป็นตัววิจัยคิดนึกเขาเรียกออกจากอกออกจากหัทไทยนะพระธรรมทุกพยัญชนะทุกอัฏฐะ ซึ่งมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเนี่ยออกจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดากลายเป็นพระธรรมเพื่อจักเนรมิตจากความเป็นปุรุชนเป็นพระริยบุคคลของพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นเนี่ยถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้ตื่นตาตื่นใจว่าพระบรมศาสดานั้นเนี่ยเฝ้ารอเราจริงๆว่าเมื่อไหร่นะ บริษัทของท่านคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจักมีตถาคตโพธิ์ทัทธาอย่างแท้จริงสักทีจะได้เข้ามาเฝ้าพระาศาสดาได้ตั้งใจฟังธรรมจากพระาศาสดาอย่างแท้จริงไม่ใช่มัวห่วงกังวลในเรื่องอื่นๆฉะนั้นจตเจรนาในลักษณะอย่างนี้จะได้มีความ จะหนักในคุณของพระศาสดาขอให้เราท่านทั้งหลายสวดสาทยายพุทธคุณพร้อมกันก่อนเดี๋ยวได้ฟังข้อมูลอีติปิโสภาคาวา สัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณนาสัมปันโนสุขโตโลคะวิถอานุตตะโรปุริสามสารติสัตาเทวมนุส สานังพุทโดภาควาตีสวากาโตภาควาตตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตัง ตโพวิยิติสุปาิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาิปันโนภาคะวะโต สาวกสังโฆสาวมิจิปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาติทรงมญาตาริสุริสายุคานิอาจาปุริสปุคาลาเอสสากภาคาวะโตสาวกสังโฆ อาหนายโยอาหูนายโยทักกีนายโยอันจาริการะนิโยอนุตตรังปุญญกเตตังโลกัสสาตินธิเมสารังอันยัง พุทโธเมสรานังวารังเอเทนะจัจจวัชน์เจนะวัทอย่างสัทตุศาสเนนาติเมสรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวารัง เอเตนะสัจว ja ja ัตเจนะวัเทอย่างสาธุศาสน e ณ a ิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัตเจนะ วเัเตยยางศาธุสาสเนก้มลงขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงค์นะกายเยนวาจายวาเจตาสาวาผู้เท k ุก ร, รมังปะกะตังไม่อย่างยังผูโทปาติคานหาตุอจยัยยนตัง การันตเรสังวริทุงวะพุทธะกายเนวาจายาวะเจตสาวาดามเมกุกรรมปะกตังมียยังธรรมโมปฏิกัรหาตุอาจายันตังการันตเรสังวริทุงวะธรรมเม กายณวจายวจีทาวาสังเกตุกรมมปะกตังม่ยายังสังโกปิกานหาตัวัจยันตังการันเทระสังวริตุงวัสังเกต